สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านดิฉันได้รับหนังสือคําพ่อคําแม่ซึ่งเรียบเรียงโดยท่านพระธรรมกิติวงทองดีสุระเตโชจากสนักพิมพ์เลี่ยงเชียงคําพ่อคําแม่ของพระธรรมกิติวง์ทองดีสุระเตโช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 จะพบพานความจริงอันยิ่งใหญ่ทุกอย่างเป็นศัจธรรมค่าอัมภัยดีทำไว้เชื่อเว้นจะเป็นคุณความในใจลูกรัก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 เป็นต้นว่าพ่อแม่ถึงแม้ว่าจะร่ำรวยมีสิ่งของมากมายเหลือใช้แต่ก็ยังอยากได้ของขวัญของฝากจากลูกอยู่ดีแม้ของนั้นจะไม่มีราคาค่างวดนักหรือสู้ของที่มีอยู่ไม่ได้แต่เมื่อเป็นของฝากจากลูกพ่อแม่ก็ปรื่มในอกเหลือล้นแล้วเมื่อลูกมีขนมมีอาหารมาฝากถึงแม่จะอิ่มแล้ว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 แม่พ่อกับแม่จะทำงานเหน็บเหนื่อยกันมาพอเห็นหน้าลูกๆมาคอยต้อนรับที่หน้าประตูถามว่าเหนื่อยไหมแล้วก็ช่วยถือกระเป๋าถือของให้เท่านี้ก็หายเหนื่อยแล้วเห็นลูกได้นอนหลับพ่อกับแม่ก็สบายใจนี่แหละลูกเอ้ยที่เขาว่าครอบครัวที่อบอุ่นตอนนี้ลูกก็โตแล้วหากสามารถเสกเป่าได้ พ่อกับแม่ก็อยากจะเสกเป่าให้ครอบครัวของเรานั้นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนตอนเป็นเด็กแม้จะนานๆานครั้งก็ยังดีเห็นหน้าเห็นตากันทานข้าวด้วยกันถามไทยสุขของกันและกันได้อุ้มหลานตัวน้อยๆเท่านี้ก็ยืดอายุพ่อแม่ได้อีกหลายปีแล้วล่ะลูกเอ้ย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 แล้วก็น่าอดสูมากที่สุดซึ่งคนดีๆเขาไม่ทำกันนะลูกคิดถึงหัว อ, อกพ่อหัว อ, อกแม่บ้างถ้าจะทะเลาะ ก, กันคิดถึงตอนเป็นเด็กๆ ก, กันสิลูกทะเลาะ ก, กันแล้วก็ดีกันหันหน้าเล่นหัวกันเหมือนเดิมเลืมเรื่องที่ผ่านมาเสียรักกันไว้สามัคคีกันไว้มีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันได้สามีอาจหาใหม่ได้ภรยาหาใหม่ได้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 ยิ่งถ้าลูกๆอิจฉาริษยากันทะเลาะเบาแว้งกันหรือว่าถึงกับฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพื่อเอาแพ้เอาชนะห้าหันกันเองก็ยิ่งทำให้พ่อแม่สะเทือนใจมากขึ้นมันถึงกับทำให้พ่อแม่นอนเซื่อื่นทุกคืนทีเดียวหละลูกเมื่อลูกยังเล็กๆ ก, กันอยู่ลูกทะเลาะกันบ้างตบตีกันบ้าง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 พ่อกับแม่หวังว่าลูกคงเข้าใจหัวอกของพ่อแม่ในข้อนี้ดีพ่อกับแม่จึงอยากย้อนยุคไปหาอดีตที่ลูกๆมาพร้อมหน้าพร้อมตากันทานข้าวด้วยกันไปมาหาสู่กันเหมือนตอนเป็นเด็กๆถ้าเป็นได้พ่อกับแม่ก็คงจะนอนตายตาหลับ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 ยามที่ลูกมองพ่อแม่ด้วยสายตาที่เกลียดชังหรือไม่แยแสเหมือนกับพ่อแม่เป็นคนอื่นพ่อกับแม่จะรู้สึกขมขื่นและปวดร้าวอย่างที่สุดคนอื่นเขาดูถูกเหยียดหยามหรือเข้าใจพ่อแม่ผิดไปก็ยังไม่เสถียรใจเท่ากับลูกดูถูกหรือว่าเข้าใจพ่อแม่ผิดไปเลยถ้าลูกจะโกรธจะเกลียดพ่อกับแม่เพราะลูกไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจในสิ่งที่พ่อแม่ทำไปในบางครั้งพ่อกับแม่ก็พอทนได้อยู่หรอกแต่ถ้าโกรธเกรียดเพราะลูกไม่เข้าใจถึงจิตใจและก็ความรู้สึกที่แท้จริงของพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็จะเสียใจและก็ปวดร้าวใจที่สุดเลยล่ะลูก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 ยิ่งปรารถนาต้องการมากขึ้นเป็นทวีตรีคูณแม้จะรู้ว่าลูกของตัวมีธุระยุ่งมีงานต้องทำมากมายไม่ค่อยมีเวลามาหาสูนักแต่ก็อดที่จะเห็นแก่ตัวไม่ได้ยังปรารถนาจะให้ลูกมาปรนนิบัติดูแลอยู่ดีหวังใจจะได้เห็น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 ว่าจะไม่ได้เห็นลูกเป็นอย่างนั้นเท่านั้นที่พ่อแม่ยอมลำบากเลี้ยงลูกกันมาก็เพื่อส่งเสริมให้บรรลุถึงความหวังนั้นหากได้เห็นลูกเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถฉลาดทันคนมีงานทําเป็นหลักฐานประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตามที่หวังพ่อแม่ทุกคนก็หายเหนื่อยแล้วอย่าทําให้พ่อกับแม่ผิดหวังก็แล้วกัน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 คำสอนนี้ดีแท้ลูกเอ้ยการศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของคนเราวิชาความรู้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินคนที่ศึกษาย่อมจะมีวิชาคนที่มีวิชาย่อมได้เปรียบในเรื่องการประกอบอาชีพท่านว่าวิชาเป็นทรัพย์คือวิชาความรู้นั้นเป็นทรัพย์ต้นทุนที่อยู่ข้างในตัวของคนเรา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 ที่เป็นทรัพย์สินเงินทองอีกก็สามารถจะใช้วิชาความรู้ที่หาเอาได้มีคำกรอนที่จาไว้ได้จึงขอฝากลูกไว้เป็นข้อคิดคำกรอนนั้นมีว่าพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียนเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกาย พ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายเจ้าสบายแม่กับพ่อก็ชื่นใจค่าของเงินทอง ลูกรักเงินทองเป็นของมีค่าจะหาได้ไม่ง่ายนักกว่าจะได้ก็ต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานข้อนี้ลูกคงรู้แล้วดังนั้นเงินทองที่พ่อแม่ให้ลูกใช้นั้นลูกก็ใช้ไปเถอะขออย่างเดียวให้ลูกใช้อย่างรู้คุณค่าและคุ้มค่าคือให้รู้ว่ามันมาอยู่กับเราได้อย่างไรและจะใช้อย่างไรจึงจะได้ประโยชน์คุ้มค่า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 ขอบอกลูกนิดเดียวเท่านั้นว่าก่อนจะใช้เงินขอให้ลูกฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรเช่นลูกอยากจะไปดูหนังสักรอบหนึ่งลองคิดดูว่าค่าดูหนังรอบเดียวเพียงสองชั่วโมงเศษซึ่งเป็นเงินที่พ่อแม่ทำงานทั้งวันกว่าจะได้มานั้นพอจะคุ้มกันไหมกับความสนุกที่ได้รับหรือลูกอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่ง ที่เพื่อนรวยๆเขามีกันแต่ต้องใช้เงินที่พ่อแม่ต้องทำงานตั้งครึ่งเดือนอย่างนี้สมควรจะมีเหมือนเขาไหมถ้าลูกคิดได้ลูกก็จะเห็นคุณค่าของเงินทองและลูกก็จะสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในเร็ววันขอให้ลูกคิดดูดีๆก่อนจะใช้เงินทอง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 ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาสอนให้เราฉลาดหรือมีวิชาความรู้พิเศษได้ก็พอแล้วครูอาจารย์ที่สอนเราก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยหรือว่ามีความประพฤติดีทุกคนไปแต่เราก็เคารพนับถือท่านว่าเป็นครูอาจารย์ของเราได้เพราะเราไม่ได้คำนึงถึงพื้นเพความประพฤติของท่านมากนักถ้าเรามัวไปตั้งแง่รังเกียจสิ่งนอกตัวที่ไม่ดีของท่าน แล้วไม่ยอมรับความรู้ที่ท่านให้เราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรมากมายเลยทำนองเดียวกันข้อธรรมหรือคำพูดที่มีคติเป็นคติเตือนใจซึ่งแม้จะออกมาจากปากของนักบวชผู้ประพฤติไม่เรียบร้อยหรือคนที่ต่ำต้อยหากเป็นประโยชน์ต่อเราเราก็ไม่ควรรังเกียจควรศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์แก่ตัวเอง เหมือนเมื่อเราต้องการดอกบัวเราลงไปในสระน้ำเห็นดอกบัวแล้วก็เด็ดเอาแต่ดอกบัวมาเท่านั้นใหญ่จะมามัวคคำนึงถึงที่เกิดของดอกบัวนั้นว่ามาจากโคลนตมด้วยละ่ะได้ดอกบัวมาก็เป็นอันสมประสงค์แล้วจะสนใจที่เกิดของดอกบัวไปทำไมดอกบัวที่เกิดจากโคลนตมที่เน่าหม็นจะสกปรกเน่าหม็นไปด้วยก็หาไม่เช่นเดียวกัน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 ซื้อกินไม่หมดลูกรักมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานลูกคงเคยได้ยินคำนี้บอกให้เรารู้ว่าความซื้อหรือความซื้อสัตว์นั้นกินใช้ไม่มีวันหมดดีกว่าเงินทอง เงินทองกินไปใช้ไปก็หมดไปเรื่อยแต่ความซื่อสัตย์กินไม่มีวันหมดคือถึงเงินทองไม่มีก็อาจใช้ความซื่อสัตย์ไปขอยืมคนอื่นได้คนให้ยืมเขาก็เต็มใจเพราะเราซื่อสัตย์ต่อเขาไม่คิดคดโกงเขาแต่ถ้าเราไม่ซื่อต่อเขาคดโกงเขาเขาก็ให้ได้เพียงครั้งเดียวตัวเองก็จะลําบากไปตลอด คนเราอยู่กับใครทำงานกับใครก็น่าจะซื่อสัตย์ต่อเขาต่องานที่ทำและต่อคําที่พูดของตนเองอันความซื่อสัตย์นั้นก็คือความจริงใจปากกับใจตรงกันคําพูดกับการกระทาตรงกันไม่คดในข้องอในกระดูความซื่อสัตย์นี้เป็นอมตะกินไม่หมดกินได้ตลอดไปเพราะว่าคนอื่นเข้าไว้ใจ กินได้ตลอดไปเพราะคนอื่นเขาไว้ใจลูกควรมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาทำอะไรก็ยึดความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งแม้จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนน้อยก็อย่าทิ้งความดีข้อนี้ใครจะเห็นว่าเราเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโดยเฉพาะนายจ้างหรือราชการได้เป็นความฉลาดก็ช่างเขาใครเขาจะหาว่าเราโงา่เราเซ่ออย่างไรก็อย่าไปคิดมาก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 เพราะพ่อกับแม่นั้นไม่อาจจะทำให้ลูกสบายได้ทุกอย่างแต่ลูกรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าอันความลำบากนั้นไม่ใช่จะมีเพียงพิดร้ายทำให้เราทุกข์ยากแต่อย่างเดียวหากมองในมุมกลับความดีหรือประโยชน์ของความลำบากก็พอมีอยู่คือความลำบากทำให้คนเราแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นทำให้เราคิดเป็นและทำให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้น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 ตรงกันข้ามหลายคนสบายมาตั้งแต่เกิดไม่รู้จักความลำบากพอมีเหตุทำให้ต้องลำบากขึ้นมาก็แทบจะเอาตัวไม่รอดทำอะไรไม่เป็นจับอะไรไม่ถูกกว่าจะเอาตัวรอดได้เกือบเอาชีวิตไม่รอดทีเดียวดังนั้นลูกอย่าไปกลัวความลำบากให้ถือว่าความลำบากนั้นเป็นครูเป็นกําไรชีวิตและเป็นบทเรียนที่เราต้องจดจำไม่หันเข้าไปหามันอีก ใจมีค่ากว่าน้ำเงินลูกรักเมื่อลูกไปรับราชการหรือไปรับจ้างเขาทำงานอะไรก็ตามจงทำงานนั้นให้เต็มที่เต็มกําลังความสามารถให้คุ้มกับเงินเดือนหรือค่าจ้างของเขาหากจะทำให้เกินกว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างนั้นได้ก็ยิ่งดีอย่าทำงานเพียงเพื่อให้ได้เงินอย่างเดียว อย่าคิดแต่เพียงให้งานเสร็ จ, รจไปเท่านั้นควรทำงานเพื่อให้ได้งานที่ดีด้วยจึงจะเหมาะสมคนเราควรเป็นคนมีน้ําใจอย่าเป็นคนแลลงน้ําใจคนที่ทำงานเกินค่าของเงินตอบแทนด้วยความเต็มใจแสดงถึงจิตใจที่ไม่เอารัดอเอาเปรียบเขาแม้จะเสียเวลาอีกสักนิดแต่งานออกมาดีมันจะเป็นความภาคภูมิใจของเราเอง ความภาคภูมิใจอย่างนี้แหละที่จะหล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้ชุ่มชื้นเบิกบานอยู่เสมอซึ่งไม่อาจซื้อหาได้จากไหนนอกจากจะได้จากความมีน้ำใจของเราเองเมื่อใจมีน้ำใจใจก็มีน้ำหล่อเลี้ยงให้ชุ่มชืน้นมันก็มีแค่นี้แหละผิดกับคนที่แล้งน้ำใจนอกจากจะไม่มีสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วจิตใจของเขาจะแห้งผากเหมือนนาที่แล้งน้า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 เช่นรับปากอะไรกับใครเขาไว้ก็ต้องทำให้ได้อย่างที่รับปากแม้จะต้องลงทุนลงแรงขนาดไหนแม้จะต้องตายก็ต้องยอมเพื่อรักษาคำพูดเรื่องคำพูดนี้คนเขาถือกันมากถ้าเสียเรื่องคำพูดไปแล้วแม้อย่างอื่นจะดีงามอย่างไรก็จะพลอยเสียไปด้วยอย่างที่เขาว่าเสียเครดิตนั่นแหละโบราณก็จจึงสอนไว้ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตย์ ดังนั้นเมื่อลูกคิดว่าตัวเองจะต้องลำบากเพราะรักษาคำพูดก็อย่าไปรับปากใครเขาง่ายงายจงไตรตรองให้ดีเสก่อนว่าเมื่อรับปากเขาแล้วเราจะทำได้อย่างนั้นหรือเปล่าจะเดือดร้อนภายหลังไหมคิดให้รอบครอบให้ทุวนทีก่อนหากเห็นว่าสามารถทำได้ค่อยรับปากจึงจะชอบด้วยหลักและจะไม่เป็นคนเสียหลักเอาง่าย คนเราหากรักษาคำพูดไว้ไม่ได้จะไปรักษาอะไรได้เพราะขนาดคำพูดซึ่งอยู่ในตัวแทๆ้ๆยังรักษาไว้ไม่ได้ของนอกตัวอื่นๆจะรักษาได้อย่างไรจึงขอให้ลูกไตรตรองให้ดีก่อนพูดก่อนรับปากใครและอย่าเป็นคนลืมคำพูดง่ายๆรักษาคำสัตว์ไว้ให้มัน่นคนรักษาคำสัตว์นั้นแม้ตัวจะตายไป โลกก็ยังยกย่องไม่รู้ลืมเช่นดังพันท้ายนรสิงห์ผู้ซื่อสัตย์คนที่เสียสัตว์แม้จะเอาตัวรอดได้คราวหนึ่งต่อไปเมื่อมีเหตุการณ์คับขันเกิดขึ้นก็จะไม่มีใครมาแยแสอยู่โดดเดียวอยู่ตามลำพังรักเดียวใจเดียว ลูกรักสิ่งที่ทำให้คู่ครองอยู่กันยืดตลอดไปนั้นคือความรักเดียวใจเดียวซึ่งหมายถึงความจริงใจซื่อสัตย์ต่อกันไม่นอกใจกันมั่นคงอยู่ในคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้แก่กันตั้งแต่แรกสามีหรือภรรยารักเดียวใจเดียวอย่างนี้เรียกว่ารักษาสัจจะมั่นคงสัจจะนี่แหละที่ทาหน้าที่เป็นโซ่ทองค้องใจคู่สามีภรรยาไว้ได้ เมื่อมีสัจจารักเดียวใจเดียวต่อกันแล้วอย่างอื่นเช่นความเห็นอกเห็นใจกันการให้อภัยกันและความเข้าใจกันดีจะตามมาความรักเดียวใจเดียวนี้จะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีทะเลาะเบาะแวง้งไม่หวาดระแวงกันสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรถนอมไว้เมื่อลูกมีครอบครัวก็ขอให้ลูกยึดแนวนี้ไว้ ครอบครัวของลูกจะเป็นครอบครัวที่สุขสบายถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่รักเดียวใจเดียวซิแล้วจะอยู่กันอย่างไม่เป็นสุขแน่การที่ต้องเห็นหน้ากันและอยู่ด้วยกันกับคนที่ไม่ซื่อสัตย์นั้นมันอึดอัดและก็ลำบากใจแค่ไหนลูกก็คงพอทราบจึงไม่ควรประพฤติเป็นคนนอกใจคู่ครองของตัวคนเรา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 ไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพรอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทาอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัว ทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ๋ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมตัวเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไรก็หลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่ซิบ้างก็จะสบายดีเหมือนกันนะลูก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 คนอื่นเขาทำผิดพลาดบ้างบกพร่องบ้างทำให้ถูกใจเราบ้างล่วงเกินเราบ้างถ้าให้อภัยเขาได้ก็ให้อภัยเข้าไปเถอะอย่าไปถือสาอย่าไปโกรธเคืองหรือไปต่อว่าเขาเลยนิ่งเฉยเสียทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสียบ้างก็ได้อย่าไปเก็บมาใส่ใจมากนักเมื่อให้อภัยเขาแล้วคนที่สบายใจก็คือตัวเรานั่นแหละ ผูกโกรธไว้ก็เหมือนกับผูกโซ่ร้อนๆไว้ที่ใจต้องคิดแค้นอาฆาตอยู่รุมร้อนอยู่ร่ำไปไม่มีอะไรดีเลยให้อภัยอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ความไม่มีภัยแก่คนอื่นหมายความว่าทำตัวของเราไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยแก่คนอื่นไม่ก่อความกลัวความเดือดร้อนหรือความหวาดระแวงแก่คนอื่นแต่ทาตัวเป็นคนเปิดเผยเป็นกันเอง ทำตัวให้เป็นที่ไว้วางใจของคนอื่นทำอย่างนี้เรียกว่าให้อภัยให้อภัยเป็นความดีแก่ตัวเราเองคือผู้คนเขาจะไว้เนื้อเชื่อใจมอบหมายงานสำคัญให้ทำผิดกับคนที่มีผิดภัยไว้ใจไม่ได้ไปที่ไหนคนเขาก็ไม่อยากจะเข้าใกล้อยู่ที่ไหนคนเขาก็ระแวงทำงานอะไรเขาก็ไม่ไว้ใจมันเสียทุกอย่าง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 เก็บหอมรอมริบลูกรักเมื่อเราต่อสู้ทำงานได้เงินหรือทรัพย์สินมาแล้วจะทำให้เราตั้งตัวได้ทันทีก็หาไม่เพราะเงินทองที่ได้มานั้นไม่ใช่ได้มาครั้งเดียวเป็นกอบเป็นกรรมใหญ่โตจนตั้งตัวได้เลยแต่จะทยอยได้มาเรื่อยๆ ช่วงที่ได้มานี่แหละที่สาคัญหากได้มาแล้วไม่รู้จักกินไม่รู้จักใช้ไม่รู้จกัจกเก็บหอมรอมริบได้มาแล้วก็หมดไปการอดออมซึ่งหมายถึงการเก็บหอมรอมริบไว้นั้นเป็นความจำเป็นมากได้เงินทองมาแล้วก็แบ่งปันเป็นส่วนๆคือกินใช้บ้างเก็บออมไว้บ้างจะมากน้อยอย่างไรก็เก็บออมไว้ม่ใช่ว่าไดมาแล้วก็กินใช้หมด หมดแล้วก็หาใหม่คนที่ทำอย่างนี้เรียกว่าคนทำมาหากินส่วนคนที่เก็บออมเรียกว่าคนทำมาหาเก็บคนที่เก็บไว้นี่แหละจะค่อยพอกพูนขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นทรั์ก้อนโตพอที่จะทำให้ตั้งตัวเป็นหลักฐานได้การที่จะเก็บหอมรอมริบได้ก็ต้องอยู่ที่การอดออมเป็นสำคัญคือต้องยอมอดบ้างอย่าตามใจปากอย่าตามใจตัวมากนะัก อย่ากินอะไรอดได้ก็อดไว้กินเฉพาะที่จำเป็นขอให้กินเพราะหิวแต่อย่ากินเพราะปากมันอยากกินอยากใช้อะไรอดได้ก็อดไว้ใช้เฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ซื้อเฉพาะที่จำเป็นต้องซื้ออย่าซื้อเพราะอยากได้เพียงอย่างเดียวเมื่อเราอดได้เงินทองก็ยังอยู่กับเราเอาส่วนนี้แหละไปออมไว้อีกทีหนึ่งทาอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าอดออม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 ได้บอกลูกมาแล้วว่าการอดออมเป็นความดีเริ่มต้นที่คนกําลังจะสร้างฐานะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอดออมได้มากก็จะมีเหลือมากเหลือมากเท่าไร่ก็จะสร้างฐานะได้เร็วขึ้นเท่านั้นเมื่อต้องการตั้งตัวก็ต้องเริ่มที่อดออมก่อนอย่าสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟืยรู้จักกินรู้จักใช้กินใช้แต่พอดีทําได้ก็ตั้งตัวได้ขอเตือนลูกไว้ล่วงหน้าว่า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 หรือเที่ยวข่มเหงรังแกคนอื่นโดยคิดว่าตัวเองมีเงินมีทองจะทำอะไรได้ตามใจชอบก็ได้เพราะเงินทองเป็นดาบสองคมอยู่ให้คุณก็ได้ให้โทษก็ได้ขอให้ลูกมีสติคิดอยู่เสมอว่าจะอดออมเงินทองไว้เป็นหลักประกันชีวิตและครอบครัวเพื่อเลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุขเมื่อมีเหลือแล้วจะเฉลี่ดเจีจานช่วยเหลือคนอื่นตามสมควรลูกคิดได้ทาได้อย่างนี้ ก็จะเป็นประโยชน์จากเงินทองที่อดออมไว้อย่างเต็มที่รวยแล้วอย่าลืมตัวนะลูกเพื่อนแท้ตลอดชีวิตลูกรักลูกเคยคิดไม่ว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของเราคือนังสือ หนังสือเป็นเพื่อนเราได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะยามสุขยามทุกยามโศกหรือยามเหงาติดตามเราไปได้ทุกผนทุกแห่งไม่ว่าจะในป่าในเขาหรือในท้องทะเลจนที่สุดแม้ในห้องนอนไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรอยู่ที่ไหนลูกอย่าทิ้งหนังสือทิ้งหนังสือก็เท่ากับทิ้งเพื่อนที่ดีที่สุดพยายามอ่านหนังสือให้มากๆอ่านหนังสืออะไรก็ได้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 ยามที่เราต้องการเพื่อนคิดเพื่อนคุยก็จงหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านจะช่วยเราได้มากหนังสือดีเล่มหนึ่งเท่ากับเพื่อนที่ดีคนหนึ่งส่วนสิ่งพิมพ์ซึ่งไม่ใช่หนังสือนั้นเราก็ควรอ่านแต่เมื่อเราอ่านแล้วใช้สติปัญญาของเราพิจารณาดูว่าจะเชื่อตามคนเขียนหรือไม่อย่างไรคนเขียนก็มีหลายระดับมีความรู้และมีความคิดแตกต่างกันไป มีเจตนาแตกต่างกันไปที่เราควรพิจารณาให้มากก็คือเรื่องที่คนเขียนมีเวลาน้อยมีข้อมูลน้อยข้อมูลไม่ดีพอหรือต้องรีบเขียนเพื่อให้เสร็จไปวันๆอย่างนี้โอกาสที่จะผิดพลาดมีมากเราต้องกรองเอาเองจับสาระแก่นสารของเรื่องให้ดีอย่าเชื่อไปเสียทุกเรื่องแต่ก็อย่าปฏิเสธไปเสียทุกอย่าง บายามุกลูกรักอบายายมุกต่างๆเช่นเหล้าการพนันรวมไปถึงบุหรี่ยาเสพติดนั้นก็รู้กันอยู่ทุกคนว่ามันเป็นของไม่ดีเป็นตัวบ่อนทำลายเงินทองสุขภาพร่างกายและก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้คนรอบข้างมากมายแต่ ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกนี่แหละก็ยังตกเป็นทาสของมันกันทิ้งมันไม่ได้ด้วยเหตุผลต่างๆที่สันมาอ้างซึ่งล้วนบอกว่าเป็นความจำเป็นทั้งสิ้นตัวลูกเองลองไตรตรองพิจารณาให้ดีให้ลึกสักนิดว่าสิ่งเหล่านี้เคยให้อะไรดีๆแก่คนดิบบ้างเคยให้คุณจริงๆยั่งยืนหรือเปล่าเคยทาให้ได้ดิบได้ดีหรือทาให้มีหน้ามีตาขึ้นบ้างไหม เห็นมีแต่ทำลายคนเราทำให้เราตกต่าทำให้เราสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุทำให้เสียเวลาเสียสุขภาพทุกอย่างแล้วอย่างนี้ก็อยากจะถามลูกว่าถ้าเราไปเป็นทาตของมันเข้าจะเป็นการสมควรหรือไม่สมควรกันพิจารณาดูให้ดี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 ก็มีแต่จะถูกเหยียบถูกย่ำร่ำไปล่ะลูกสมบัติผู้ดีลูกรักเมื่อเราอยู่ในสังคมและจะต้องติดต่อกับผู้อื่นการวางตัวการพูดจา รวมไปถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวดีเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะนั่นเป็นการแสดงถึงว่าเราเป็นผู้ดีได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาดีจึงแสดงอากับกิริยาออกมาให้ดีให้คนเห็นเขาเรียกคนเช่นนี้ว่าคนมีสมบัติผู้ดีคนมีสมบัติผู้ดีย่อมจะได้เปรียบคนที่ขาดคุณสมบัติเหล่านี้ในทุกเรื่องทั้งความนิยมนับถือการให้ความสนิทสนม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 ไม่พูดในขณะที่มีคำข้าวอยู่ในปากจะลุกจะนั่งสำรวมระวังดูให้เหมาะที่เหมาะทางเหล่านี้เป็นสมบัติผู้ดีนะลูกควรฝึกไว้ทั้งนั้นสมบัติผู้ดีเป็นเหตุให้คนเรามีสเสน่ห์น่ารักและก็เป็นเหตุให้ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูอยากจะชูชุบอุปถรัรม์เป็นอภรรประดับตัวที่นำออกอวดคนอื่นได้ทุกแห่ง ความเกรงใจลูกรักเมื่อลูกจะทําอะไรไม่ว่าจะทําในบ้านตัวเองหรือว่าทําที่ไหนก็ตามถ้าสิ่งที่จะทํานั้นอาจไปทําให้คนข้างเคียงเดือดร้อนรําคาญหรือไปรบกวนคนอื่นลูกต้องระวังให้มากอย่าทําอะไรตามใจชอบหรือถือว่าทําได้ ควรจะเกรงใจคนอื่นเขาบ้างอยู่บ้านติดกันอยู่ห้องติดกันอยู่ห้องเดียวกันเกรงใจกันไว้แหละดีจะได้ไม่ทะเลาะกันไม่ทาให้ผิดใจกันเสียเปล่าๆสร้างมิตรดีกว่าสร้างศัตรูหากจำเป็นจะต้องทำก็ควรบอกให้เขารู้ล่วงหน้าหรือว่าขออนุญาตเขายิ่งดีไม่เสียหายอะไรหรอกเมื่อเราเกรงใจเขาเขาก็จะเกรงใจเรา ยินดีอนุญาตและก็ทนรำคาญหรือว่าทนเดือดร้อนชั่วคราวได้ข้อนี้ขอให้ลูกเอาใจเข้ามาใส่ใจเรารู้ถึงซึ่งอกเข้าอกเราด้วยอย่าทำอะไรตามใจชอบขอให้ลูกจำไว้เธอว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีเป็นยาสเสน่ห์เป็นมารยาทสังคมและทาให้ไม่ต้องผิดใจกันกับใครโดยไม่จำเป็นด้วย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 อย่าไปคิดแบบนักเกลงว่ามีเรื่องก็มีความคิดอย่างนี้เป็นความคิดของคนเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวไม่นึกถึงหัวอกของคนอื่นลูกอย่าได้คิดอย่างนี้เลยมันเป็นเรื่องที่น่าละอายมากกว่ามารยาทสังคม ลูกรักการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมารยาทสังคมเช่นความอ่อนน้อมถ่อมตนการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่การแสดงสัมมาคาระวะมารยาทสังคมเช่นนี้เป็นอภรประดับตัวดีกว่าเสื้อผ้าและเครื่องประดับหรูหราราคาแพงลูกควรฝึกฝนปฏิบัติมารยาทสังคมเหล่านี้เข้าไวให้คล่องแคล่วเคยชิน เวลาทำจริงจะได้ไม่เคอะเขินเวลาไปพบปะติดต่องานกับผู้อื่นก็ดีไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีหากลูกรู้จักปฏิบัติมารยาทสังคมที่ดีลูกจะได้คะแนนนิยมเป็นพิเศษจากผู้ที่ลูกไปหามารยาทสังคมนี้ก็เป็นเสน่ห์ของคนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับความเกรงใจไม่ว่าใครล้วนแต่ชอบคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะพูดจาอ่อนหวาน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 ลูกรักในบรรดาคุณธรรมหรือความดีที่คนเราควรมีควรประพฤตินั้นท่านว่าสติเป็นยอดหมายความว่าสติเป็นสำคัญที่สุดสติคือความระลึกได้รวมไปถึงความรู้สึกตัวเสมอไม่หลงลืมไม่เพลอยพลายในทางที่ปฏิบตัติเมื่อเราทำอะไรจะพูดอะไรจะต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีคิดให้รอบครอบอย่าวู่วาม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 นี่ก็เป็นหลักของสติเหมือนกันคนที่มีสตินั้นจะไม่เผลอไพลไม่ผิดพลาดไม่ผิดนัดแต่จะถูกต้องตรงเวลาและได้รับผลตอบแทนที่ดีงามเสมอผิดกับคนที่ขาดสติจะทําอะไรก็มักจะผิดพลาดเผลอไพลทําให้เสียงานและเสียหายร่ําไปคนที่ถูกเรียกว่าคนหลงหรือคนหลงลืมนั้นก็คือคนที่ชอบเผลอไพลไม่รักษาสตินั่นเอง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 แม้ของอย่างนั้นพ่อกับแม่จะมีอยู่แล้วแม้พอจะหาซื้อได้หรือพอจะทํากินเองได้แต่ก็สู้ของที่ลูกเอามาให้ไม่ได้หรอกลูกน่ากินน่าใช้กว่าเพราะมันเป็นของผสมด้วยน้ําใจของลูกด้วยไงละ่ะลูกมาให้พ่อกับแม่ได้เห็นหน้าก็ชื่นใจมากอยู่แล้วแต่ก็ชื่นใจมากขึ้นไปอีกเมื่อลูกยังมีของฝากมามอบให้กับมือของลูกเองอีกส่วนหนึ่ง มันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจพ่อกับแม่ได้ชื่นบานไปได้นานทีเดียวละ่ะยาอะไรจะมาบำรุงหัวใจได้ดีเท่ายาประเภทนี้ละ่ะลูกเอ้ยระวังคําหวาน ลูกรักถึงแม้ว่าคนโบราณจะสอนกันว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายดังนี้ก็ตามแต่ลูกควรระวังคำพูดของคนอื่นโดยเฉพาะคำพูดหวานหวานของคนไว้บ้างก็ดีน้ำอ้อยหรือน้ำตาลที่มีรสหวานทิ้งไว้นานเข้าก็กลายเป็นน้ำเมาได้น้ำคำหวาหวานของคนบางคนก็ทาให้เราเมาได้เหมือนกัน พอมเมาแล้วก็ทำให้หลงลืมตัวลืมใจเสียรู้เสียท่าบางครั้งถึงกับเสียเงินเสียทองให้เขาอย่างที่ไม่น่าจะเสียเพราะไปเชื่อคำหวานของเขาข้อนี้ก็ขอให้ลูกพิจารณาให้ดีใครมาพูดจาวันหวานยกยอเราว่าดีอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ลูกต้องระวังไว้ก่อนทีเดียวอย่าเพิ่งไปหลงไหลได้ปลื้มกับคาพูดของเขาในทันที ลูกจะได้ไม่เสียใจภายหลังปลาที่ตายไปส่วนหนึ่งเพราะถูกเขายกยอยกยอขึ้นมาถ้ามันไม่ติดยอมันก็ไม่ตายเรื่องมันเป็นอย่างนี้จึงควรระวังจะถูกยกยอแล้วตายไปเหมือนปลาติชมเป็นลมปาก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 ก็แสดงว่าเขารู้จักเราจริงหากเราไม่ดีอย่างที่เขาชมเราก็ไม่ควรจะเลิงลมๆแรงๆ แ, แสดงว่าเขาชมตามมารยาทหรือเพราะเข้าใจผิดถ้าคิดได้ทำได้อย่างนี้ก็จะไม่มีอาการขึ้ น, ข, นขึ้นลงลงไปตามคำติคำชมของคนอื่นเลยคำติชมเป็นเพียงลมปากผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันทำให้เราดีหรือเร็วไม่ได้หรอก ใครหลงไปกับคำติชมก็มีแต่บ้าโดยใช่เหตุประการเดียว